มันก็เป็นทุกเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นอนัตตาอะไรทํานองนั้นไม่ต้องไปนึกคิดในขณะนั้นถ้าว่าเรานึกคิดแล้วสมาธิมันจะถอนขึ้นมาอีกเราจะไม่สามารถควบคุมจิตของเราให้จดจ้องดูความคิดที่เกิดขึ้นนั้นได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ให้นักปฏิบัติพึงระวังให้ดีเมื่อออกจากสมาธิในขั้นบริกรรมภาวนาถ้าจิตสงบนิ่งเป็นอัปปนาสมาธิแล้ว เมื่อเจตถอนออกจากสมาธิยาดวนออกจากที่นั่งสมาธิในทันทีทันใดให้ตามกําหนดรู้ความคิดของตัวเองเรื่อยไปจนกว่าจะถึงเวลาอันสมควรแล้วจึงค่อยเลิกหรือจึงค่อยออกจากที่นั่งสมาธิในเมื่อออกจากที่นั่งสมาธิมาแล้วไม่ใช่ว่าเราจะหยุดกําหนดรู้ จิตหรือรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นสัตจิตในทันทีทันใดก็หาไม่เราจําเป็นจะต้องกําหนดรู้ความรู้สึกนึกคิดของเราอยู่ตลอดเวลาแม้จะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดเราก็ก็ให้ตั้งสติกําหนดรู้อาการเคลื่อนไหวไปมาของกายวาจาและใจของเราอยู่ตลอดเวลาการตามรู้ตามเห็น ความเคลื่อนไหวกายหรือการพูดการนึกการคิดด้วยความมีสติสัมปชัญญะจดจ้องอยู่นั่นแหละคือการปฏิบัติคำแบบที่เรียกว่าสามารถทำให้จิตเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาได้ถ้า <c oughs> ในตอนต้ น, ต น, ตนมีผู้มาเตือนว่าอยากจะให้แสดงธรรมะเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน แต่ก่อนที่จะพูดถึงธรรมะซึ่งเกี่ยวกับชีวิตรประจำวันนั้นจะขอทาความเข้าใจกับบรรดาท่านทั้งหลายก่อนว่าคำว่าธรรมะนั้นคืออะไรและธรรมะนั้นอยู่ที่ไหนคำว่าธรรมะก็คือกายกับใจแต่ว่าธรรมะคือกายกับใจนี้เป็นธรรมะที่เป็นสภาวะธรรม ไม่ใช่ธรรมะคำสั่งสอนสภาวะธรรมเป็นธรรมะที่เป็นเครื่องรู้ของพระสัพพัญญูสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกประงุ์โดยปกติของธรรมะอันเป็นสภาวะธรรมนี้ย่อมเป็นไ ป, ไปตามกฎธรรมชาติกฎธรรมชาติของธรรมะอันเป็นสภาวะธรรมที่จะพึงเนไปนั้น ก็คืออนิจจาความไม่เที่ยงทุกตาความทนอยู่ไม่ได้อนาตตาความไม่เป็นตัวเป็นตนคือมีการสลายตัวนั่นเองเข้าในหลักที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกย่อมมีความปรากฏนในเบื้องตน้นและมีความทรงอยู่ทั่วขณะหนึ่งในที่สุดย่อมสลายตัวที่นี่การปฏิบัติธรรมะเกี่ยวกับกายกับใจของเรานี่ เราจะเริ่มต้นปฏิบัติแต่เมื่อไรการปฏิบัติธรรมะเกี่ยวกับกายกับใจของเราเนี่เราจะเริ่มต้นตั้งแต่ที่เราเริ่มตื่นจากที่นอนมาแล้วเมื่อเราตื่นจากที่นอนมาแล้วเราจะต้องคิดว่าเราจะทำอะไรเกี่ยวกับร่างกายจะต้องเข้าห้องน้ำจะต้องแปลงควัน จะต้องอาบน้ำทำละกายจะต้องขับถ่ายซึ่งเป็นจิจวัตรประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากเราจะใช้าการพิจารณากรรมาฐานพร้อมๆกันไปเราก็จะได้ปัญหาเกิดขึ้นมาว่าทำไมเราจรึงต้องแปลงฟันที่เราต้องแปลงฟันก็เพราะว่าฟันมันเป็นของสกปรกทำไมเราจรึงต้องอาบน้ำ ที่เราอาบน้ากับราว่าร่างกายมันเป็นของสกปรกถ้้เรามีปัญหาอย่างนี้เราก็จะได้คำตอบอย่างนี้ในเมื่อได้คำตอบอย่างนี้ขึ้นมาเราก็ได้กรรมฐานในข้ออสุภกรรมฐานอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับส่วนตัวของเราถ้าหากผู้ที่มีสติปัญญาที่จะต้องคชิดกว้างฝางไปหน่อย ว่าทำไมเราจรึงต้องทำความสะอาดร่างกายถ้าถ้าเราปล่อยให้ร่างกายมันสกปรกมันก็เป็นบอกเกิดแห่งโรคภัยไข้เจ็บนี่เราก็ได้ความรู้กว้างางออกไปอันนี้คือหลักการปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับชีวิตประจาวันในขั้นต้นและในขั้นต่อไปเราจะต้องพิจารณาว่าก่อนอื่นเนี่ย เราจะต้องทำอะไรเกี่ยวกับตัวเองหรือบุคคลภายในครอบครัวที่เรารับผิดชอบอยู่เราจะต้องหุงหาอาหารรับทานเราจะต้องดูแลความสุขทุกข์ของคนภายในครอบครัวที่เรารับผิดชอบหน้าที่ของความเป็นบิดาคืออะไรหน้าที่ของความเป็นมารดาคืออะไรหน้าที่ของความเป็นลูกคืออะไร เราจะต้องพิจารณาดูให้รอบคอบและโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวปลาอาหารที่เราได้มารับทานนั้นเราได้มาจากไหนเราสามารถที่จะโดนบรรดานเนรมิตรเอาได้ทุกสิ่งอย่างหรือหรือว่าเราจะต้องมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเอามาอะไรมอเป็นเช่นนั้นเราก็รู้ว่าเราจะต้องไปแลกเปลี่ยนซื้อขายเอามา เราจึงจะได้มาทำรับทานในมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็มีความจําเป็นจะต้องก้าวออกไปสู่สังคมในเมื่อเราก้าวออกไปสู่สังคมเราจะปฏิบัติต่อสังคมอย่างไรเจ้าเราต้องการอาหารเรามีสตังเราก็ไปซื้อไปแลกเปลี่ยนออกมาถ้าเราเป็นผู้ซื้อเขาให้ของเรามาเราก็ให้เงินเขาไป มันก็เป็นการสมดุลกันในลักษณะที่ถ่ายทีถ่าอาศัยซึ่งกันและกันเกนการปฏิบัติชอบด้วยศีลธรรมเต่ถ้าหากสมมติว่าเราอาจจะคิดว่าเราจะไม่ซื้อไม่หาคอยฉวยโอกาสเมื่อเจ้าของเผลอแล้วก็หยิบฉวยออกมาแล้วมันจะผิดศีลข้อไหนมันก็ผิดศีลข้ออธินาทานแต่มันก็เกิดเป็นหลักศีลขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้น การปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าพึงเข้าใจว่าเราจะต้องนั่งหลับตาบริกรรมภาวนาอย่างเดียวถ้าหากเราต้องการจะปฏิบัติธรรมเราก็ต้องพยายามปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับภายในครอบครัวของเราเนี่ยให้มันเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่าให้มีอะไรขาดตกบกพร่องผูมีบิดามารดาก็เลียงบิดามารดาให้สมบูรณ์ ผู้มีโรกเบี้ยวก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเจ้าให้สมบูรณ์โดยยึดหลักว่ามาตาปิตุอุปถานังปุตตารสัตถังตโหการอุปทาเรียงดูปิดามารดาเป็นมงคลอันสูงสุดถ้าท่านจะเป็นนักปฏิบัติธรรมจะยังปล่อยให้ครอบครัวท่านต้องลําบากอยู่การปฏิบัติธรรมอาจจะไม่เป็นไปโดยความสะดวกและเรียบร้อย ดังนั้นผู้ตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อไปสู่ความสงบสันติสุขกัดจริงๆขอได้โปรดพิจารณาถึงชีวิตประจําวันหน้าที่ความเป็นพ่อบ้านแม่เรือนหน้าที่ความเป็นบุตรเป็นที่ดาควรจะปฏิบัติต่อกันอย่างไรและเราควรจะปฏิบัติต่อสังคมอย่างไรสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของนักปฏิบัติจะพึงพิจารณา เมื่อเราพิจารณารอบรอบแล้วแล้วก็ทำถูกต้องตามระเบียบประเพณีของผู้ครองเรือนมันก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นเหตุให้กระทบกระเทือนจิตใจเมื่อถึงโอกาสที่เราจะนั่งสมาธิภาวนาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เรียบร้อยหายกังวลจะบริกรรมภาวนาจิตมันก็สงบได้ง่ายเมื่อจิตสงบแล้วก็สามารถรู้ความเป็นจริงของการคลองเรือนได้อย่างเด่นชัด เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนั้นคือปฏิบัติเกี่ยวกับชีวิตประจําวันของเราซึ่งเราประสบเหตุการณ์ต่างสิ่งแวดล้อมอยู่ทุกลมหายใจนั่นแหละเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสภาวะธรรมเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติใกล้เข้ามาก็คือกายกับใจของเรานั่นเองนี่คือหลัก การปฏิบัติเกี่ยวธรรมะเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของนักปฏิบัติเลยทั่วๆไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทําสมาธิภาวนาเนี่ยถ้ า, าสมมติว่าใครกดตามมาภาวนาจิตสงบแล้วเกิอความขี้เกียจที่ค้านเบื่อหน่ายไปเอาธุระจิตการงานอันนั้นก็ไม่ถูกต้องถ้ายัางสมมติว่าใครภาวนาเป็นแล้วเดิมเป็นคนขี้เกียจ ในการที่จะจัดการบ้านการเรือนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยภาวนาเป็นแล้วมีความหมั่นความขยันขึ้นรู้จักหน้าที่ของตัวเองเป็นกาแเป็นอันดีแล้วก็มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อคนในครอบครัวซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่การงานที่เรารับผิดชอบอยู่อันนั้นจึงจะได้ชัวว่าเป็นการภาวนาที่ถูกต้องแต่าาการแก้วธรรมะก็เป็นเครื่องประดับสติปัญญาของบรรดาท่านทั้งหลายสำหรับวันนี้ ก็เห็นว่าเป็นเวลาอันสมควรความจริงนั่นการฟังธรรมนี่ควรจะได้นั่งสมาธิไปด้วยดังนั้นหนะ้โอกาสต่อไปนี้ขอเชิญบรรดาท่านทั้งหลายได้โปรดเตรียมนั่งสมาธิตามแบบกระบับที่ตนเคยปฏิบัติมาแล้วอย่างไรขอทุกท่านจง สำรวมจิตของตนเองให้รู้รงที่จิตแล้วก็ยึดเหนี่ยวเอาบริกรรมภาวนาหรืออารมณ์เป็นเครื่องรู้ของจิตอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ตนเคยชานาญมาแล้วแล้วก็กําหนดจดจ้องรู้ลงที่จิตอย่างเดียวพระจิตเป็นเพื้นฐานให้เกิดความรู้จิตเป็นเพื่อนฐานให้เกิดธรรมะ ธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดที่จิตเพราะจิตเป็นตัวผู้รู้ตัวผู้รู้ภายในจิตของเรานั่นแหละคือพุท ธ, ธะพุโทโธแปลว่าผู้ตื่นพุโทโธแปลว่าผู้รู้พุโทโธแปลว่าผู้เบิกบานในเมื่อท่านกำหนดรู้ลงที่จิตด้วยบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งเกณนเล็กถึงพุโทโธเป็นต้น ในเมื่อเลิกถึงพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธสติสัมปัญญาไม่ต้องไปกำหนดหมายเมื่อเรานึกถึงพุโทโธแล้วสติสัมปัญญะมาเองเพราะว่าจิตเป็นผู้ละลึกรู้คำว่าพุโทโธเมื่อเราตั้งใจจะเลิกถึงคำว่าพุโทโธเมื่อไหร่ความตั้งใจก็เกิดมีขึ้น การตั้งใจอ น, นั้นแหละคือตัวสติให้กำหนดจิตเล็กปริรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโ ธ, ธอยู่อย่างนั้นถ้าหาท่านสู้ใดจะภวนาพุพ๊บกลอมลมเข้าโธกล้อมลมออกก็ได้ถ้าภาวนาพุพ๊บกลอมลมเข้าโธกล้อมลมออกมันยังมีช่วงห่างอยู่ จิตสามารถส่งกระแสไปในที่อื่นได้ก็ให้ปล่อยลมหายใจเสียแล้วก็นึกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้เร็วๆเข้านาตีของท่านมีแต่เพียงว่านึกพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเดียวแล้วก็อย่าไปนึกว่าเมื่อใด จ, จิตจะสงบเมื่อใดจิตจะรู้เมื่อใดจิตจะเห็นอะไร เพราะการภาวนานี้ไม่ใช่เพื่อเห็นภาวนาเพื่อให้จิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธิเพื่อให้รู้สภาพความเป็นจริงของจิตของตัวเองว่ามีสภาพเป็นอย่า ง, างไรแม้แต่เรากําหนดบริกรรมภาวนาลงไปเราก็สามารถรู้ได้ทันทีว่าจิตของเราอยู่กับคําบริกรรมภาวนาหรือไม่ เมื่อเรารู้ว่าจิตของเราอยู่กับคำบริกรรมภาวนาก็กำหนดจดต้องลงที่จิตแล้วนึกพุโทโธพุธโทโธพุธโธอยู่อย่างนั้นเมื่อจิตละจากพุธโธเป็นได้ถึงสิ่งอืน่นเราก็รู้ว่าจิตของเราไม่อยู่กับพุธโธแล้วก็ไปอยู่กับสิ่งอืน่นเราก็เอามาไว้กับคำว่าพุโทโธพุธโธพุธโธตามเดิม เม่อเจจูกับพุโทโธก็ตะพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธอยู่อย่างนั้นเมื่อเจตราจากพุโทโธไปนึกถึงสิ่งอื่นเรารู้ตัวแนละ้วก็รีบเอากลับเกิดมาให้อยู่กับพุโทโธก็มีแค่นี้สําหรับการบริกรรมภาวนาภาคาณัณฑผู้ใดจะพิจารณาอะไรตามที่ตนเคยถนัดมา ก็ตอนจิตพิจารณาไปตามแนวทางที่ตนเคยชำนิชำนาญท่านเคยภาวนาสัมมาอ拉หังก็าภาวนาสัมมา阿拉หังเรื่อยไปภาวนายกหนอปองหนอก็ยกหนอปองหนอเรื่อยไปทำบริกรรมภาวนาทุกอย่างเป็นบริกรรมภาวนาเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องไระเด็ดของสติ เป็นเครื่องล่อให้จิตสงบเป็นสมาธิเมื่อเรามานึกถึงสิ่งเดียวบ่อ ย, อยเข้าเลิกให้มากๆทำให้มากๆจนทำนิ้ํานานจนจิตของเราติดอยู่กับบริกรรมภาวนานั้นแล้วจิตของเราก็จะลืมนึกถึงสิ่งอื่นจะมานึกอยู่เฉพาะแต่คำบริกรรมภาวนาน ในขั้นต้นตนนี้จะรู้สึกว่าจิตเนิ่อยู่ที่คําภาวนาเป็นส่วนมากในบางครั้งก็จะนึกถึงสิ่งอื่นเมื่อนึกดถึงสิ่งอื่นเมื่อไหร่แล้วเราก็เอามาไว้กับคําบริกรรมภาวนาเมื่อภาวนาจิตสงบลงไปหากจะมีอาการอะไรเกิดขึ้นเช่น มีอาการ <c oughs> ร่างกายมีอาการสั่นหรือโยกโครงหรือมีความรู้สึกใกล้ๆกับตัวลอยอยู่บนอากาศ ร, รู้สึกว่าตัวใหญ่โตพองขึ้นรู้สึกว่าตัวเล็กกลงหรือเกิดตามสว่างขึ้นมาอย่าไปสําคัญมั่นหมายในเหตุการณ์เหล่านั้น ให้กำหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อเราสามารถกำหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดียวเจตก็จะสามารถที่จะมีความสงบละเอียดยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆค้ายที่งจิตในความสงบละเอียดยิ่งเข้าไปเท่าไรอาการแห่งความปีติและความสุขก็ย่อมบังเกิดขึ้น เมื่อเจตมีปีติและสุขเป็นเครื่องบำรุงเลี้ยงเจตก็จะมีความสบายจะมีอาการเบาจิตเบากายจิตก็สงบกายก็สงบคือจิตสงบจากอารมณ์วุ่นวายกายก็จะสงบจากทุกขเวทนาคือความเจ็บปวดเมื่อเป็นเช่นนั้นจจตก็ไม่ทุรนทุรายไม่เล่นดน มองหน้าตอความสงบเรื่อยไปจนกระทั่งผ่านอุปจารสมาธิแล้วก็เข้าไปสู่อัปปนาสมาธิเมื่อจิตเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิจิตจะมีลักษณะนิ่งสว่างเด่นรู้อยู่เฉ่าะจิตอย่างเดียวอันนี้เป็นสมาธิในขั้นตน้น ซึ่งเรียกว่าผสมสมาธิผสมมัจิตผสมวิญญาณมโนธาตุเมื่อท่านสามารถทำได้ถึงขนาดนี้ท่านก็จะสามารถรู้สภาพความเป็นจริงของจิตตั้งเดิมของท่านและเมื่อจิตถอนจากสมาธิแล้วท่านจะได้เครื่องรู้เครื่องวัดทันทีว่าจิตอยู่ในความสงบนิ่งเป็นอย่างไร เมื่อจิตออกมารับรู้อารมณ์แล้วเป็นอย่างไรนี่คือสิ่งที่เราต้องการรู้ต้องการเห็นซึ่งเกี่ยวกับการภาวนาส่วนการเห็นภาพนิมิตต่างๆนั้นเป็นแต่เพียงผลลอยได้ซึ่งเกิดจากความสงบของจิตเท่านั้นแต่ถ้าภาพนิมิตเกิดขึ้นมาแล้ว เราเอาจิตไปติดอยู่กับนิมิตนั้นเราจะไปรู้แต่สิ่งภายนอกแล้วจะไม่รู้สภาพความเป็นจริงของจิตภายในว่าเป็นอย่างไรในเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จับจุดแห่งสมาธิไม่ถูกบางทีอาจจะไปสำคัญว่าภาพนิมิตต่างๆที่มองเห็นนั้นเป็นภูมิวิปัสสนาไปแต่แท้ที่จริงนั้นมันเป็นติดเพียงความฝันในขั้นนี้ เพราะจิตเมื่อสงบเคลิมเคลิมลงไปแล้วจิตจะมีลักษณะคล้ายๆกับไม่มีสติจิตจะมีอาการเลื่อนลอยเปลงฟางไม่มีที่เกาะไม่มีที่จิตเมื่อจิตนึกถึงสิ่งใดขึ้นมาจิตก็จะเกิดภาพนิมิตสิ่งนั้นแล้วจิตก็จะไปรู้อยู่กับนิมิตภายนอก ไม่รู้เข้ามาภายในพื่อฐานที่ตั้งของจิตว่าอยู่ที่ตรงไหนเราจะนั้นนักปฏิบัติเมื่อทำจิตได้มาถึงขั้นนี้ให้พยายามน้อมจิตเข้ามารู้ภายในอย่างน้อยก็รู้ลมหายใจถ้าไม่รู้ลมหายใจท่านควรจะกำหนดตู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเช่น กระดูกสีสักระดูกหน้าอกกระดูกแขนกระดูกขาที่ใดที่หนึ่งโดยน้อมนึกภายในจิตว่าเราจะดูกระดูกตรงหน้าอกแล้วก็กําหนดลอกหนังออกกําหนดเอือเนื้อออกเนืกกลับไปกลับมาหลายหลายครั้ง จนกระทั่งจิตเชื่อมั่นลงไปว่ามีกระดูกอยู่ที่หน้า อ, อกแล้วก็หยุดนึกเสียแล้วก็บริกรรมภาวนาว่าอธิอธิอธิอ ธ, อธิเมื่อจิตสงบลงไปอีกครั้งหนึ่งจิตสามารถที่จะมองจิตกระดูกตรงที่หน้า อ, อกเป็นนิมิตยอย่างชัดเจน ในเมื่อจิตมองเห็นกระดูกที่หน้า อ, อกแล้วท่านก็ควรกาหนดรู้อยู่เฉยๆในขั้นนี้ยังไม่ต้องไปพันธนาลักษณะของกระดูกหรือสีสันวันณะต่างๆเป็นแต่เพียงกำหนดรู้อยู่เฉยๆเท่านั้นเมื่อจิตมองเห็นนิมิตกระดูกที่หน้า อ, อกอย่างชัดเจนถ้าหากว่าจิตถอนจากสมาธิกระดูกหายไปในความเห็น จิตไม่มองเห็นกระดูกหน้าอกอีกถ้าต้องการอยากจะรู้จะเห็นอีกก็กําหนดติดจดต้องพิจารณาอย่างเกา่าแล้วก็เนตบริกรรมภาวนาว่าอาธิอธิอธิอธมเมืใบจิตสงบลงไปแล้วจิตก็จะมองเห็นกระดูกจิตสึกหัดจนคานี้ํานาญอยู่ในสิ่งสิ่งเดียวแม้ว่าจิตจะมองเห็นกระดูกที่หน้าอกอย่างเดียวตลอดปีตลอดชาติ ก็ให้มันรู้มันเห็นอยู่เพียงแค่นั้นในมนรู้เห็นอยู่เพียงแค่นั้นมันจะได้ประโยชน์อะไรเกิดขึ้นความรู้มันก็ไม่กว้างกวา ง, วางอันนี้ท่านทั้งหลายเพิ่งทาความเข้าใจว่าแม้จะเจตรู้อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงสิ่งเดียวคือกระดูกหน้าอกเท่านั้น ก็มีคุณค่าเท่าเท่ากันกับรู้หลายหลายอย่างรู้สิ่งเดียวขอให้รู้จริงจริงเพียงแต่กำหนดดูกระดูกอย่างเดียวนอกจากเราจะได้นิมิตในแง่อสุภากรรมฐานแล้วเรายังจะได้นิมิตในแง่ธาตุกรรมฐานหรือถ้าหากไม่สำคัญมั่นหมายในแง่อสุภากรรมฐานหรือธาตุกรรมฐาน เจดของท่านผูดที่ก้าวเร็วอาจจะไปสำคัญมั่นหมายในอนิจจสัญญาว่าแม้ความรู้ความเห็นมันก็ไม่เที่ยงกระดูกเครื่องเป็นเครื่องรู้เครื่องเห็นมันก็ไม่เที่ยงเห็นแล้วมันก็หายไปแต่บางครั้งมันก็มองเห็นบางครั้งมันก็มองไม่เห็น แล้วจิตก็ไปสำคัญมั่นหมายในอนิจจสัญญาคือสำคัญมั่นหมายความไม่เที่ยงเกิดขึ้นภายในจิตเที่ยงแค่รู้กระดูกอย่างเดียวจิตก็สามารถที่จะก้าขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนากรรมฐานได้ทีนี้ลักษณะของจิตที่รู้ในขั้นของสมถกรรมฐานนั้นอย่างไรรู้ในขั้นวิปัสสนากรรมฐานนั้นอย่างไร อาจิตมองเห็นกระดูกแล้วก็ยึดเอากระดูกเป็นนิมิตมองจดต้องดูอยู่อย่างนั้นไม่มีอาการเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นความรู้ขั้นสมถกรรมฐานถ้าหากว่าจิตสามารถที่จะปฏิวัติไปสู่ความรู้พิสดานยิ่งไปกว่านั้นสามารถกำหนดกระดูกที่รู้เห็นนั้น ให้เล็กลงหรือใ ห, ให้ใหญ่ขึ้นหรือให้มีอันสลายตัวไปหรือให้มีอันเป็นไปในแง่ว่าเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟแล้วเกิดเกิดความสําคัญมั่นหมายว่าแม้แต่กระดูกก็มีความเปลี่ยนแปลงได้แม้แต่ความรู้มันก็มีความเปลี่ยนแปลงได้ มันไม่จิรังยั่งยืนรู้แล้วก็หายไปเห็นแล้วก็หายไปประเดี๋ยวก็ปลูกขึ้นมาให้รู้ให้เห็นได้อีกกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นาจิตดูความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ท่านก็เรียกว่าปฏิภาคณิมิตในเมื่อเกิดปฏิภาคณิมิต จิตก็ใกล้ๆต่อความที่จะเต้าขึ้นสู่วิปัสสนากรรมฐานพาะจิตกำหนดความเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าหากว่าจิตรู้ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่รู้เห็นนั้นอันนีจะสัญญายังไม่เกิดขึ้นภายในจิตก็ยังเป็นภูมิสมถะกรรมฐานอยู่นั่นเองแต่ถ้าจิตปฏิวัติไปสู่ความเปลี่ยนแปลง ความไม่ยังง่งยนืนความไม่คงที่เิตก็ปฏิวัติตนไปสู่ภูมิแห่งวิปัสนาแต่ยังไม่ใช่วิปัสนาอย่างแท้จริงเพราะจิตยังไม่ยอมรับเมื่อจิตยอมรับว่าสิ่งที่รู้เห็นนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่เสมอเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา แล้วก็มีความรู้สึกซึ้งลงไปในจิตแล้วก็ยอมรับความเป็นเช่นนั้นว่าเป็นจริงเจ ต, ตัดสินด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอัตตาจริงๆแล้วก็ยอมรับสภาพความเป็นจริงในตอนนี้จิตก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนา อันนี้หมายถึงวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเอาวัตถุเป็นเครื่องหมายแห่งการรู้การเห็น